ทีกวัดป่าสุกโตนี่เรานะตื่นแต่เช้ามืดแล้วก็มาทำกิจกรรมร่วมกันนะเป็นกิจกรรมดีๆนะสดมนแล้วก็ฟังธรรมแต่หลายคนที่ไม่คุน้นนะก็อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องลำบากบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องตื่นเช้าขนาดนี้บางทีก็พานคิดไปถึงว่าทไม ต้องมาลำบากนะต้องมาปฏิบัติธรรมนะไม่พูดไม่คุยกันทำไปทำไมนะอาจจะนึกไปถึงว่าโอเสียเวลานะวั 5, 000, 7, 000, น7ะวันถ้าอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานทำอะไรได้ต้องเยอะแยะนะมันเกิดความรังแรสงสัยขึ้นมาหรือบางทีก็รู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์แต่ที่จริงสิ่งที่เราทำนี่นะ เวลาที่เราสละมาเพื่อมาที่นี่มันมีคุณค่ามีความสำคัญนะแล้วมันมีความสำคัญอย่างไรนะเดี๋ยวจะเล่ามันเป็นเรื่องเล่านะสมัยโบราณมีขโมยคนหนึ่งนะเดินทางพร้อมกับเศรษฐีนะร่วมเดินทางมาด้วยกันแล้วก็มักจะ ได้พักอยู่ในห้องเดียวกันอยู่เสมอขโมยเนี่ยพอรู้ว่าผู้ชายที่ร่วมเดินทางด้วยเป็นเศรษฐีแกก็มีความโลภนะอยากจะขโมยทรัพย์สินเงินทองเศรษฐีทุกวันเนี่ยทุกครั้งที่ได้พักห้องเดียวกันเวลาจะไปกินอาหารเช้าเนี่ยขโมยก็จะบอกเศรษฐีว่าให้เศรษฐีลงไปกินก่อนนะ เดี๋ยวตัวเองเข้าห้องน้ำแล้วเดี๋ยวก็จะตามไปพอเศษอรษฐีวมไปกินอาหารขาโมยก็ออกมาค้นของอค้นหาทรัพย์สมบัติซึ่งเชื่อวเศรษฐีต้องเอามาม า, มากมายหรือยังน้อยก็พอที่จ ะ, ะเป็นกำไรเป็นทุนให้กับตัวเองได้ คนกระเป๋าก็หาไม่เจอนะคนตามที่นอนใต้ที่นอนก็หาไม่เจอก็คิดว่าเศรษฐีนี่คงจะเอาติดตัวไปด้วยวันต่อมาก็าใช้อุบายเดียวกันนะแต่ก็ยังหาสมบัตินะหรือหาเงินทองนะของเศรษฐีไม่เจอ ล้วก็แน่ใจด้วยว่าเศรษฐีนี่ก็ไม่ได้เอาเข้าวของติดตัวไปด้วยเพราะว่าลงไปตัวเปล่าเป็นอย่างนี้อยู่ส3าวันนะแล้วก็ทุกครั้งทุกวันก็คว้าน้ำเหลวนะขโมยก็ไม่สามารถจะหาทรัพสมบัติของเศรษฐีหาเงินทองห า, าเพชรหรือว่าสิ่งมีค่าของเศรษฐีได้จนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทาง ก่อนที่จะแยกจากกันเนี่ยขโมยก็อดรนทนไม่ได้นะก็เลยถามเศรษฐีว่าเนี่ยถามจริงๆเธอนะเข้าของเงินทองเนี่ยของคุณเนี่ยเอาไปเก็บไ้ไหนแล้วก็เล่านะว่าเนี่ยทุกครั้งที่เศรษฐีลงไปกินอาหารเนี่ยข้างล่างเนี่ยตัวเองก็ค้นหากระเป๋าหาหาเงินทองที่คิดว่าคงจะซุกซ่อนนะ ดูตามที่ต่างๆเช่นที่นอนใต้ที่นอนหรือว่าตามข้างฝางต่างหาไม่เจอถามจริงเลยนะเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนนะแล้วก็สารภาพไงว่าตัวเองนี้ก็เป็นขโมยแต่มันอยากจะรู้จริงๆกันนะเศรษฐีก็เลยเฉลยว่าเขาเองก็รู้ตั้งแต่แรกนะว่าเนี่ยขโมยต้องการจะเอาทรัพย์สมบัติเอาเงินทองเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ย ตอนที่ขโมยนะบอกว่าเนี่ยขอเข้าห้องน้าก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยลงตามไปเนี่นะเศรษฐีก็เอาเงินของเขาเอาของมีค่าเขาเนี่ยไปใส่ไว้ใต้หมอนของขโมยนะขโมยเนี่ยค้นทุกที่เลยนะแต่สิ่งที่จุดที่ไม่ได้ค้นก็คือใต้หมอนของตัวเองทำไมถึงไม่ค้นนะเพราะว่ามันใกล้ตัวเกินไปนะ โจนี้ไม่เฉลียวใจว่าไอสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดนี่นะมันอาจจะมีของมีค่ากันได้นะิทานเรื่องนี้เนี่ยเขาสอนว่าคนเราเนี่ยมักจะมองข้ามสิ่งที่ใกล้ตัวคนทุกวันนี้เนี่ยรู้เรื่องไกลตัวรู้เรื่องนอกตัวเยอะแต่ว่าสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดเนี่ยคือเรื่องของตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของจิตใ จ, จตัวเองเนี่ยมองข้าม เรามองข้ามสิ่งที่สาคัญที่สุดไปทั้งๆ ท, ที่ใจนี่นะมันเป็นสิ่งที่บงการความสุขและความทุกข์ของเรามากยิ่งกว่าสิ่งใดเรามักจะมองข้ามนะใจของเราเราไปจดจ่อสิ่งภายนอกแล้วเราก็มักจะทุกข์ก็เพราะสิ่งภายนอกเรามักจะทุกข์ก็เพราะ การที่เรามองข้ามสิ่งภายนอกเนี่ยมองข้ามสิ่งที่อยู่ในใจเราไปจดจ่อยอยู่กับสิ่งภายนอกจําเป็นมากนะที่เราจะต้องกลับมารู้จักจิตใจของเราเรื่อย่งน้อยๆก็รู้ทันนะเวลาใจของเราเนี่ยมันเกิดอาการต่างๆขึ้นมาเพราะความทุกข์เนี่ยทุกข์กายนี่ไม่เท่าไหร่นะ แต่ว่าทุกข์ใจเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แล้วคนเราเนี่ยมักจะคิดว่าที่ทุกข์ใจเนี่ยเพราะสิ่งภายนอกเราโมแต่ส่งจิตออกนอกนะแต่ลืมใจของเราแล้วปล่อยให้ใจของเราเนี่ยนะถูกอารมณ์ต่างๆที่เป็นอกุศลมาครอบงำแล้วก็ทำให้เราเนี่ยทในสิ่งที่ไม่สมควรทํา บางทีก็ทะเลาะเบาแวงกันมันมีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นตำนานเป็นเสี้ยวชีวิตหนึ่งของท่านเว่ยหลางนะท่านเว่ยหลางนี่ท่านเป็นสังคปรินายกของรฐิชานในประเทศจีนชานหรือชานเนี่ยพอมาถึงญี่ปุ่นเขาก็เรียกว่าเซ็นนะ เซนนี่เรารู้จักกันดีแต่ชานี่เราไม่ค่อยรู้จักนะแต่ว่าให้รู้ว่าเนี่ยมันต้นกําเนิดของเซนเนี่ยในญี่ปุ่นเนี่ยก็มาจากชานหรือชานในจีนและท่านเวลานี้มีชื่อเสียงมากนะเพราะว่าท่านมีประวัติที่เรียกว่าประหลาดไม่เหมือนใครเช่นอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้แต่เพียงแค่ได้ฟังธรรมที่มีคนสาธยายขณะที่กําลังขนฟืน ก็บรรลุธรรมเลยอ่านไมออกเขียนไม่ได้แต่ฉลาดมากแล้วก็ความฉลาดของท่านเนี่ยก็ทําให้ท่านเนี่ยเดือดร้อนเพราะว่าคนที่อิจฉาท่านเนี่ยมีท่านก็หนีนะหนีภัยแล้วก็มาที่กวงเจามาที่วัดกวงเซี่ยววัดกวงเซี่ยวนี่เป็นวัดโบราณนะ จนถึงวันนี้วัดนี้ก็ยังยังอยู่แล้วก็ยังมีพระแล้วก็ยังมีคนมากราบไหว้ในเมืองจีนเนี่ยวัดที่อายุเป็นพันปีเนี่ยมีเยอะมากถือเป็นเรื่องธรรมดาเมืองไทยเราวัดอายุแค่2องสปีเราก็ตื่นเต้นกันแล้วอย่างวัดอรุณเนี่ยอายุ200ปีโอ้เราก็ตื่นเต้นแต่เมืองจีนหรือญี่ปุ่นนี่วัดอายุขนาด 2-300 ปีนี่ธรรมดามาก วัดกุ้งเสื้อนี่พันกว่ปีแล้วพันสองร้อยพันสามปีลอัตาก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมวันนี้ก็ตอนที่ท่านเว้ยหลางมาเนี่ยตอ น, นยังเป็นโยมอยู่กำลังมีการแสดงธรรมโดยอาจารย์ที่มีชื่อเสียงคนก็มาฟังเต็มศาลาแล้วก็ลนออกไปข้างนอกระว่างที่คนกาลังฟังธรรมกันอยู่ก็มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยแกไปสังเกตเห็นธงเนี่ย ที่ใกล้ศาลาเนี่ยมันมันไหวก็เลยพูดกับเพื่อนมันเนี่ยทงมันไหวเพื่อนบอกเพื่อนดูแล้วก็บอกไม่ใช่ทงไหวลมมันไหวต่างหากก็เลยเถียงกันว่าตกลงเนี่ยทงไหวหรือลมไหวทีแรกก็เถียงกันสองคนตอนหลังก็มีคนมาถือหางทั้งสองฝ่ายกลายเป็นคนกลุ่มใหญ่มากขึ้นที่ถกเถียงกันว่าลมไหวหรือทงไหวแล้ยิ่งเถียง ก, กันก็ยิ่งมีอารมณ์ มีอารมค์ขุนมัวก็เริ่มเถียงกันเสียงดังมากขึ้นจู่ๆก็มีเสียงจากท่านเวลังนะดังออกมาว่าใจของท่านตั้งหากที่ไหวพอที่เห็นช น, นี้ทั้งสองฝ่ายนี่อึ้งเลยหยุดเลยนะได้สติตอนนั้นเนี่ยมัวแต่สนใจเถียงกันนะเรื่องธมไหวหรือลมไหวลืมดูใจว่ากําลังโกรธกําลังโมโหนะ ให้เรื่องไม่เป็นเรื่องนี่ทาท่าจะอาจะถึงขั้นเนี่ยทะเลาะบบาแววงกันแล้วอันนั้นแหละนะคือจุดที่ทำให้คนมาสนใจท่านเว่ยหลางนะคนเราเนี่ยนะก็ไม่ต่างจากคนสองกลุ่มนะที่เถียงกันนะว่าลมไหวหรือทมหรือทงไหวมันไม่สำคัญเท่ากับว่าใจเราเนี่ยไหวหรือเปล่าบางทีเราถกเถียงจะเป็นจะตายถึงขั้นทำร้ายกัน บางทีถึงขั้นตัดเพื่อนตัดมิตรหรือบางทีตัดพ่อตัดลูกนะเพียงเพราะว่ามีความเป็นต่างกันเรื่องการเมืองมีความเป็นต่างกันนะเกี่ยวกับเรื่องอกีฬาหรือทีมฟุตบอลนะหรือคนมีความเป็นต่างกันเกี่ยวเรื่องพรรคการเมืองอันนี้เพราะอะไรนะเพราะว่ามองข้ามนะมองข้ามใจของตัวแล้วคนเราเนี่ย ความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยที่เกิดกับใจเนี่ยนะมันล้แล้วแต่เป็นเพราะเราเนี่ยละเลยจิตใจของตัวเองอย่างที่บอกนะว่าคนเราเนี่ยมักจะคิดว่าเราทุกข์เพราะสิ่งภายนอกมีเสียงดังเสียงรถยนต์เสียงมอเตอร์ไซค์เกิดความหงุดหงิดขึ้นมาก็ไปโทษเสียงนั้นนี่ก็เพราะลืม ดูใจของเราใจของเราเนี่ยนะมันเป็นตัวการเป็นสาเหตุสําคัญต่างหากที่ทำให้เป็นทุกข์เคยได้ฟังเรื่องของหลวงปูบงป่บุตรดาไหมหลวงปู่บุตรดาเนี่ยท่านเป็นพระโบราณ น, นะมรณภาพไปเมื่อ20ปีที่แล้วตอนที่มรณภาพก็อายุ100ปีเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันก็ประมาณสัก5้า0ปีที่แล้ว มีวันหนึ่งท่านได้รับนิมนต์ให้มาฉันเพลนที่กรุงเทพท่านก็เดินทางจากสิงห์บุรีมาพอฉันเพลนเสร็จนะท่านก็จะกลับวัดญาติโยมเจ้าภาพก็บอกว่าจะให้ท่านพักสักหน่อยเพราะว่าสิงห์บุรีมันไกลนะสมัยนั้นถนนมันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่รถก็ความเร็วก็ต่ำหลวงปู่ก็แก่แล้ว80แล้วมั้ง ก็คอยท่านพักจัดหาห้องให้ท่นกับเอหลังแล้วก็บีลูกศิษย์ลูกหาอยู่3ามสี่คนมานั่งเป็นเพื่อนเผอิญห้องที่หลวงปู่พักเนี่ยนะมันติดกับห้องแถวมันติดอยู่กับร้านโชห่วยนะมันติดอยู่กับร้านโชห่วยร้านขายของชำเจ้าของเจ้าของร้านเนี่ยก็เป็นคนจีนคนจีนสมัยก่อนเนี่ยก็จะ สวมเกีย้ยเป็นเกีย้ยไม้เกีย้ยไม้เนี่ยเวลาเดินมันก็ดังโดยเพราะเวลาขึ้นบันไดเนี่ยนะบันไดไม้เสียงก็ยิ่งดังเสียงก็ดังเข้ามาถึงในห้องที่หลวงปู่บุดาจําวัดอยู่ลูกศิษย์ได้ยินก็ไม่พอใจก็พูดบ่นว่าเนี่ยเดินเสียงดังจังเลยไม่เกรงใจกันหลวงปู่ท่าน ดูเหมือนจำว่าแต่ที่จริงทันไม่ได้หลับหรอกฉันได้ยินก็เลยเปลยขึ้นมาเบาๆว่าเขาเดินเขาอยู่ดีๆเราโอา้โหไปลองเกีย้ยเขาเองลูกศิกก็เลยได้คิดเลยออเวลาเสียงดังและเรามีความหงุดหงิดเนี่ยตัวการจริงๆไม่ใช่เป็นที่เสียงนะแต่เป็นที่ใจเราใจที่ไม่มีสติเมื่อใจไม่มีสติหูก็เลยหาเรื่องหูผมก็เลยไปลองเกีย้ย นะันก็เลยเป็นทุกข์ถ้ามีสตินะไม่ปล่อยให้หูวไปลองเกี้ยหรอกหรือผู้อย่างคือไม่ปล่อยให้จิตเนี่ยไปจดจ่ออยู่ที่เสียงนั้นหรอกเสียงดังนะถ้าใจไม่จดจ่อเนี่ยมันทุกข์ไหมหรือว่าถ้าใจเนี่ยไม่ผักใสนะมันทุกข์ไหมเวลารถติดแล้วเรางหงุดหงิดเนี่ยมันไม่ใช่เพราะรถติดทีเดียวนะ แต่เป็นเพราะใจที่ไม่ชอบรถติดใจที่ผักใสใจที่ไม่อยากเห็นใจที่กำลังร้อนรุ่มเพราะเนี่ยจิตมันคิดไปแล้วจิตมันปรุงแต่งไปแล้วว่าถ้าติดอย่างนี้ไปนานๆนะเดี๋ยวจะไปสง่งลูกไม่ทันเดี๋ยวจะไปทํางานสายเดี๋ยวจะผิดนัดสําคัญเดี๋ยวจะตกเครื่องบินไอที่ปรุงเนี่ยเกิดขึ้นหรือยังยังไม่เกิดนะแต่ปรุงไว้แล้วนะ เรียกว่าจินตนาการไปแนละ้วพอจินตนาการไปเป็นไงทุกเลยหงุดหงิดเลยรถติดไม่ได้ทาให้เราจิตตกนะแต่เป็นเพราะว่าไอการปรุงแต่งของจิตนี่แหละจิตที่คิดไม่เป็นลบเป็นภายจิตที่คิดลบคิดร้ายนะอันนี้แหละนะคือตัวการที่ทำให้ทุกข์และคนส่วนใหญ่ก็ไม่เคยมองเห็นตรงนี้เลย ไม่เคยเฉลียวใจเลยว่าไอ้ตัวนี้แหละที่ทำให้ทุกข์เพราะอะไรเพราะมองข้ามมองข้ามเพราะอะไรเพราะมันใกล้เกินไปนะไม่ต่างจากขโมยที่ไม่เคยมาสนใจพลิกหมอนนะที่ตัวเองนอนทุกคืนทุกคืนเลยมันใกล้เกินไปทุกข์ที่สุดนะก็เพราะใจนะสุขที่สุดก็เพราะใจนะ แต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะจะว่าเป็นเพราะใจก็ไม่ถูกนะแต่เป็นเพราะว่าต้องพูดทุกให้ถูกว่าเป็นเพราะว่าจิตเนี่ยไม่ได้รับการฝึกจิตไม่ได้รับการใส่ใจมันก็เลยเปิดช่องให้อารมณ์ที่เป็นอกุศลหรือความคิดลบคิดร้ายเนี่ยเข้ามาครองใจไอ้ความคิดและอารมณ์เหล่านี้ซึ่งเราเรียกรวมๆว่ากิเลสมันเป็นภายที่ร้ายแรงที่สุดของคนเรา ผู้จ้าจัดว่าภัยมี2ชนิดคือภัยที่เปิดเผยกับภัยที่ปกปิดภัยที่เปิดเผยก็เช่นภัยธรรมชาติผู้ร้ายหรือว่าดินฟ้าอากาศนะที่มันมันรุนแรงเสีงสาราสัตว์งูงเงี้ยวเขี้ยวขอพวกนี้คือภัยที่เปิดเผยพวกก็คือภัยนอกตัว ภัชนนยชนิดหนึ่งคือภัยที่ปกปิดก็ได้แก่ความโรคความโกรธความถือตัวความอิจฉาลิษยานะความหลงไอ้พวกนี้แหละคือภัยที่คนมักจะมองข้ามไอ้อะไรเวลาทุกเนี่ยนะก็จะไปโทษพ่อแม่บังโทษเพื่อนร่วมงานบ้างโทษเจ้านายบ้างโทษเสียงดังบ้างโทษ ด, ดินฟ้าอากาศโทษการเมืองโทษ ภาวะเศรษฐกิจแต่ลืมดูใจใจที่มันถูกอารมณ์อกุศลครอบงำใจที่ปรุงแต่งไปถึงอนาคตที่ยังไม่เกิดหรือว่าไปหวนนึกถึงอดีตความเจ็บปวดนะที่ผ่านไปแล้วเป็นปีเป็นสิบปีแล้วก็ยังไม่รู้จักวางที่ใจนี่นะถูกอารมณ์เหล่านี้ครอบงำได้เพราะมันไม่มีสติไม่ได้รับการฝึกสติมา ผูจาตรัสว่าจิตที่ไม่ได้รับการฝึกฝนหรือจิตที่วางใจหรือวางไว้ผิดเนี่ยย่อมก่อความเดือดร้อนความฉิบหายเนี่ยให้กับเรายิ่งกว่าโจรกับโจรทาร้ายกันหรือยิ่งกว่าศัตรูกับศัตรูทำร้ายกันเวลาศัตรูมันทำร้ายกันเนี่ยมันทำร้ายกันหนักนะแต่ว่าก็ความเสียหายก็ไม่ร้ายเท่ากับจิตของเรานะที่วางไว้ผิดหรือฝึกไว้ ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้ฝึกเลยอันนี้เราก็เห็นได้ทั่วไปนะข่าวคราวที่เราได้อ่านได้เห็นทางหนังสือพิมพ์ทาง f a c e b o o นะทางเว็บต่างเนี่ยเรื่องของคนที่ไปทำร้ายผู้อื่นหรือว่าทำร้ายตัวเองเช่นฆ่าตัวตายนะคนที่ฉลาดแต่ว่าก็ไม่สามารถจะ หาตัวให้อยู่รอดปลอดภัยได้หาเรื่องใส่ตัวสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองพวกนี้เนี่ยเป็นเพราะจิตที่ไม่รับการฝึกอย่างถูกต้องไปฝึกในเรื่องการคิดเก่งนะแต่ว่าวางความคิดไม่ได้คิดเก่งคิดได้ทั้งวันแต่วางความคิดไม่เป็นก็เลยกินไม่ได้นอนไม่หลับ ก็เลยฟุ้งซ่านก็เลยเป็นบ้าจนกระทั่งถูกความคิดมันชักนำลากพาไปนะถึงกับขั้นไปทำร้ายคนอื่นไปกระทำชั่เรานะไปป้นจี้ไปทำสิ่งที่ก่อความเดือดร้อนตามมาในเวลาไม่นานหรือไม่ฉชนั้นก็พาตัวเองเนี่ยโดดลงจากตึกนะโดดลงจากสะพานฆ่าตัวตาย ความคิดมันพาไปทั้งนั้นแหละไม่มีใครไปบังคับไม่มีใครชักชวนให้เราทําหรือถึงชักชวนแต่เราไม่เชื่อเราก็มีสิทธิ์ทําได้แต่คนก็ทําเพราะอะไรนะก็เพราะไอาอารมณ์เพราะความคิดที่มันปรุงแต่งจนกระทั่งคุมไม่อยู่ทั้งหมดนี้เนี่ยเกิดจากการที่จิตเนี่ยไม่มีสติ สติเป็นเครื่องรักษาจิตถ้าไม่มีสติเป็นเครื่องรักษาจิตอารมณ์พวกนี้มันก็มาครอบงําจิตแล้วก็บังคับให้เราพูดร้ายให้เราทําร้ายให้เราทําในสิ่งที่มันเลวร้ายนีย่ที่เรามาเนี่ยก็เพื่อมาฝึกจิตให้มีสติมากขึ้นให้รู้ทันอารมณ์อกุศลเวลามันจู่โจมจะได้ป้องกันไม่ให้มันครอบครองจิต หรือว่าบังคับให้เราพูดร้ายด่าบุปผการีหรือว่าใส่ร้ายผู้อื่นหรือว่าไปกระทำสิ่งที่เลวรยสติเนี่ยเหมือนกับตาในนะที่ทำให้เห็นความคิดที่เป็นอกุศลอารมณ์ที่เป็นภัยอันตรายต่อจิตใจเราฝึกอะไรมาเยอะแล้วนะ ่งก็สาคัญแต่ว่าในการฝึกจิตนะให้มีสติเนี่ยมันเป็นพื้นฐานเลยนะของการนำพาชีวิตให้มีความสุขมีความสงบมีอย่างอื่นเนี่ยมันไม่ทำให้จิตสงบได้อย่างแท้จริงหรือเป็นสุขได้อย่างยั่งยืนมีความรู้ทำมาหากินจนมีเงินมีทองมากมายแต่ถ้า สตินะไม่ใช่เป็นสัมมาสตินะเงินทองราบยศชื่อเสียงอำนาจที่ได้มาก็ไม่ทำให้มีความสุขอาจจะมีอาจจะเต็มไปได้วยความรุ่มร้อนเพราะว่ากลัวคนจะแย่งกลัวคนจะชิงเอาไปและไม่ว่าจะรักษายังไงไอสิ่งที่มีมันก็ต้องหดต้องหายต้องเสื่อม ต้องสลายไปก็ทุกข์อีกนะหรือมีแล้วเนี่ยมากแล้วแต่ก็ยังไม่พออยากได้อีกไอความอยากได้ที่มันเกาะกลุ่มจิตใจมันก็ทําให้เรานะไม่เคยมีความสุขเพราะไม่เคยรู้จักพอสักทีอายุ7080ก็ยังกลัดกลุ่มยังกลุ่มใจว่ายังรวยไม่พอทั้งทั้งที่ไอที่มีมากเนี่ยใช้ไปกี่ชาติก็คงจะไม่หมด แต่ไม่มีโอกาสใช้ด้วยเพราะเอาแต่หาไม่มีโอกาสที่จะได้พักแล้วก็หยุดเพื่อใช้สิ่งที่หามาใช้ไปการดิ้นรนไปหามาก็ทําให้เจ็บป่วยทําให้เครียดทําให้กินไม่ทำให้นอนไม่หลับทําให้เป็นความดันเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอะไรเนี่ยนะมันก็ไม่สําคัญเท่ากับการที่มีสติเพื่อที่เราจะได้รู้ทันใจรู้จักใจของเราแล้วปกป้องใจ นะให้ปลอดภัยจากอารมณ์อกุศลซึ่งจะช่วยช่วยทําให้ใจสงบนะเกิดมาทั้งทีเนี่ยมันต้องได้พบความสงบใจไม่ใช่ว่ามีทุกอย่างเลยแต่หาความสงบไม่ได้ถ้จริงความสุขเนี่ยมันก็ไมไ่อยู่ไหนเลยมันก็อยู่ปลายจมูกนี่แหละความสุขที่ถ้าอยู่ปลายจมูกแต่คนหาไม่เจอเพราะว่าปลายจมูกมันใกล้เกินไป ไปหาข้างนอกไปหาไกลๆนะแต่ลืมความสุขที่ปลายจมูกลืมความสุขที่ใจงั้นถ้าเรามีสตินะฝึกสติเอาไว้เนี่ยก็อย่างน้อยๆความทุกข์ใจก็จะน้อยลงนะแล้วเราก็จะพบกับความสงบใจได้มากขึ้นเอาละชาตินี้ก็พูดกันเทาน่านี้อ่ะ